เสียงอ่านบทความคอลัมน์คิดจากเว็บไซต์ dangtrin.com ทุกวันนี้ยังมีอีกหลายท่านไม่ทราบ หางนี้เป็นผมฟังแล้วก็พลอยชื่นใจไปด้วยทุกครั้งเพื่อการค้าวางขายตามแผง พอเดินไปตามถนนพวกเราอาจเห็นตรงกันว่า